มีชายผู้หนึ่งนะเป็นคนที่ชอบจู้จี้ขี้บน่นเพราะว่าเห็นแต่ข้บอบกพร่องความผิดพลาดของคนอื่นซึ่งก็เลยทําให้มีเรื่องต่อว่าหรือขัดแย้งกับงคนรอบข้างอยู่เป็นประจำนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบมองแต่ในแง่ลบไม่ใช่เห็นแต่ด้านลบของคนอื่นนะชีวิตของตัวเองนะก็เห็นแต่ด้านลบก็คือเห็นแต่อุปสรรคเห็นแต่ความทุกข์นะ เห็นแต่หรือนึกถึงแต่ความไม่สมหวังก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดวงซวยนะวันหนึ่งเนี่ยนะบังเอิญไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้นี่เป็นต้นที่พิเศษนะเรียกว่าเป็นต้นไม้สารพัดน mm ึก hmm. น like, ึกอะไรปรารถนาอะไรนะถ้าอธิษฐานกับต้นไม้ต้นนี้ก็จะได้นะอย่างที่นึกเอาไว้เน่ก็เลยลองอธิษฐานดูนะ นึกถึงอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้เงินได้ทองปรากฏว่าทั้งรถทั้งบ้านและทองนี่ก็ปรากฏต่อหน้าเลยทีแรกก็ดีใจนะแต่สักพักก็เอจใจว่าเอคนดวงซวยอย่างฉันนี่มันจะได้บ้านได้รถนะได้ทองง่ายๆแบบนี้เฉลือมันของจริงหรือเปล่าเนี่ยสงสัยไม่ใช่ของจริงมั้งพอคิดเท่า น, นี้ปรากฏว่า ทั้งหมดเนี่ยอาจะเป็นบ้านรถทองก็หายวับไปกับตาเลยเพราะว่าพอคิดว่ามันไม่ใช่ของจริงมันก็เลยนะกลายเป็นอากาศซาธา ป, เ, ปเลยอันนี้ก็เป็นนิทานสั้นๆนะที่ที่เขาชวนให้คิดนะว่าเออคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีโชคมีลาบมาปรากฏต่อหน้า แต่ถ้ากว่าความนึกคิดเนี่ยนะหรือว่าจิตใจมันไปอีกทางหนึ่งนะในโชคลาภที่ปรากฏมันก็หายพไปกับตาได้คนเราเนี่ยมักจะปรารถนาโชคลาภเวลาทำบุญก็อยากได้โชคอยากได้ลาบแต่ลืไมไปว่าสิ่งสำคัญอาจจะเรียกว่า เท่าเท่ากันหรือยิ่งกว่านั้นก็คือจิตใจหรือคุณภาพภายในของคนเรานะถ้าได้โชคได้ลาบนะหรือมีโชคมีลาบแต่ถ้าใจมันคิดลบก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะโลกโชคลาภก็สูญหายไปได้อย่างเมื่อ 70-80 ปปีก่อนนะ ที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นนักประดิษฐ์และแกก็คิดค้นเครื่องถ่ายเอกสารเป็นคนแรกนาที่คิดค้นเครื่องถ่ายเอกสารแกก็นำไปขายนะเอาไอเดียเนี่ยไปขายเอาต้นแบบเนี่ยไปขายบริษัทหลายแห่งรวมทั้ง IBM แล้วก็ General Electric นะซึ่งตอนนั้นเป็นบริษัทที่ใหญ่มาก ผู้บริหารในผู้จัดการเนี่ยเห็นต้นแบบแล้วแล้วก็รู้ว่ามันใช้การได้แต่ไม่ซื้อนะเพราะมองว่ามันไม่จําเป็นหรอกนะเครื่องแบบนี้ไม่มีใครต้องการหรอกเพราะว่าใครที่อยากได้เอกสารเขาก็ทำทำสาเนาได้สมัยนะั้นมันมีเครื่องมันมีกระดาษก๊อปปี้กระดาษคาร์บอ น, นเวลาจะพิมพ์ต้นหมายนี่เราก็เอากระดาษคาร์บอนหรือ กระดาษก๊อเนี่ยแทรกเอาไว้นะเวลาพิมพ์ดีดนะมันก็ทำให้มีสำเนาอีกฉบับหนึ่งขึ้นมาไม่ต้องไปใช้เครื่องถ่ายกระาหรอกเครื่องถ่ายกรานี่มันฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นหรอกก็เลยไม่ซื้อนะชายันนี้ก็เลยไปขายให้บริษัทบริษัทหนึ่งนะชื่อบริษัทซีหลอกเป็นบริษัทเล็กๆ ผู้จัดการเนี่ยเป็นคนที่มีแววนะเห็ Guard, นโอกาสนะว่ามันน่าจะขายได้ก็เลยซื้อลิขสิทธิ์ซื้อสิทธิบัตรแล้วก็ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารปรากว่าขายดีขายดีจนกระทั่งเรียกว่าไอเครื่องที่ว่านี่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันง่ายๆเครื่องซีล็อกนะเครื่องซีล็อก ก็คือเครื่องถ่ายอกสาทรที่ที่ถ่ายที่ผลิตโดยบริษัท c l ล็อนะวยไปเลยนะอันนี้เรียกว่าลามเนี่ยมันหลุดลอยไปจากบริษัทใหญ่ๆเช่น IBM หรือว่า General Electric นะคนเอาเอาลามนี่มาเสนอตอนหน้าแล้วแต่ว่าเพราะว่ามองเห็นแต่ปัญหานะ อนนี้ว่ามองแบบลบนะคิดว่าคนไม่ต้องการหรอกนะมันราคาแพงไปมันยุ่งยากนะสู้กระดาษคาร์บอนไม่ได้กระดาษคาร์บอนนี่มันง่ายนิดเดียวพอคิดลบแบบนี้เนี่นะทั้งนั้นที่โชคลาภนี่มาลอยมาต่อหน้าแล้วก็พบว่าปล่อยให้โชคลาภนมันหลุดลอยไปในทางตรงข้ามมันเท่ากับว่ารู้จักจคิดบวกนะ มองเห็นโอกาสบางทีแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นโชคเป็นลาภได้มันก็กลับนำความสำเร็จหรือว่าความร่ำรวยนะมาให้ได้นะอย่างมีผู้ชายคนนึงอย่างนี้เมืองไทยนะแกก็ค้าขายไปตามหมู่บ้านในชนบท เอารถกระบะเนี่ยบรรจุบรรทุกของบางทีก็เสื้อผ้าบ้างบางทีก็เครื่องครัวบ้างไปขายตามหมู่บ้านขายเท่าไรเท่าไหรก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะนี่สินก็พอกผูนมากขึ้นเพราะว่ามันขาดทุนนะวันหนึ่งเนี่ยไปที่พิษณุโลกนะก็ไปกราบ หลวงพ่อพุทธชินราศเราอทิษฐานว่าเนี่ยขอให้ได้ประสบความสำเร็จในการค้าขายออกมาจากวิหารก็มานั่งพักอยู่ไม่ไกลจากวัดก็เห็นรถซาเล้งเนี่ยนะเขามาจอดพักใกล้ๆซาเล้งเนี่ยมันเป็นรถที่เก็บขยะนะก็ถามเนี่ย สาเล้งเนี่ยนะว่าทำไมถึงเก็บขยะเขาบอกขยะนี่มันขายได้นะเป็นรายได้นะราคาดีด้วยสามารถที่จะส่งลูกนะเรียนเหม า, าเ่ลี่ยได้เลยชายคนนี้เนี่ยก็เกิดไอเดียขึ้นมาเลยนะวโอ้ในขยะที่ใครๆไม่มองว่าไม่มีคุณค่านี่มันสร้างรายได้ได้เขาก็เลยนะเปลี่ยนอาชีพเลยนะ เอาขยะนี่เก็บขยะนี่มาขายก็ไปรวบรวมขยะนี่ตามหมู่บ้านซื้อถูกๆแล้วก็แถมลูกอมนะคนนี่ก็อยากจะกำจัดขยาอยู่แล้วก็บางทีก็ให้ไปฟรีๆเลยก็เอาขยะนี่มาขายบอกว่าขายได้ราคาสุดท้ายนะผ่านไป 10-20 ปีนะบกว่า ชายนนี้ก็กลายเป็นเศรษฐีไปแล้วมีโรงงานคัดแยกขยะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียคันเนนะเรียกว่าสามารถทำรายได้นี่หลายร้อยล้านเลยเป็นพันล้านมีสาขาไปทั่วเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอบริษัทวงพา น, นิดนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้ที่คัดเลือกคัดแยกขยะ หรือเกใชเครื่องขยะที่ใหญ่สุดในเมืองไทยนะตามหมู่บ้านต่างๆตจังหวัดต่างๆนี้ก็มีร้านบวงพานนี้อันนี้เราว่าคนที่เขามีความคิดในเชิงบวกเนี่ยแม้ขยะนี่ก็สามารถจะมองเห็นโอกาสโอกาสที่จะสร้างไรายได้มันต่างกันนะคนหนึ่งนี่นะเห็นเครื่องซีล็อกเครื่องถ่ายเอกสารแล้ว ไม่ซื้อเพราะว่ามองลบว่ามันมีแต่ปัญหามันมันไม่น่าสนใจโชคเลยหลุดลอยไปอีกคนนึงมองเห็นขยะแต่มองเห็นโอกาสว่ามันสามารถจะสร้างไรายได้แล้วก็เลยร่ํารวยเลยเพราะนั่นเนี่ยนคนเราเนี่ยถ้าจะหวังโชคหวังลาบเนี่ยมันไม่พอนะมันต้องถามตัวเองว่าแล้วเราเนี่ยนะมีทัศนคติอย่างไร ถ้าเรามีทัศนกติในทางลบเนะี่ยโชคลาภรอยมาก็หลุดลอยไปได้แต่ถ้าเรามีทัศนกติในทางบวกรู้จักมองเห็นขยานี่ก็มองเห็นโอกาสนะที่จะสร้างไรายได้หรือว่าสร้างความสำเร็จได้อันนี้ไม่ใช่เพียเรื่องของอาชีพเรื่องของการงานนะบางทีเรื่องของชีวิตเนะี่ยเรื่องของความสุขความทุกข์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่มุมมองด้วย บางคนเจอทุกข์แต่ว่าใจไม่ทุกข์แต่บางคนเจอสุขแล้วก็ยังคร่มครวญเพราะยังรู้สึกว่ายังสุขไม่พอนะหรือว่ามองไม่เห็นความสุขนั้นไปเห็นแต่ข้อเสียเห็นแต่ความทุกข์ชุวิก็เลยไม่มีความสุขนะทั้งที่รอบตัวก็มีสิ่งดีๆมากมายแต่บางคนนี่ชํารําบากนะยากจนแต่ว่าเขามีความสุขพเพราะเขารู้จักมองบวก